เ, เตรียมรับพรียมใจคำว่ารับรับก็ต้องมีสิ่งรองรับสิ่งรองรับพรอพรอคื อ, อว่าจาก่าวคำที่เป็นสุภาษิตมีใจเป็นเครื่องรู้เครื่องรองรับทำบุญกุศลทำทานเสร็จแล้ว รู้เข้ามาที่ใจรวมเข้ามาที่ใจ่ะยาง่าใจเป็นที่รองรับบุญและบาปสุขและทุกุรู้อยู่ที่ใจถ้านั่นที่อื่นรับไม่ได้เพราะมันไม่เป็นเครื่องรับเครื่องรับคือใจใจ <c oughs> กายเป็นเครื่องมือวาจาเป็นเครื่องมือของใจ ชีวิตการสืบต่อระหว่างกายกับใจที่มีสาระก็คือชีวิต ท, ที่ได้ทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นตามคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเป็นาวาจาสุดท้ายปชิมวาจาขยะวยะธรรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นรูปวสังขารวจีสังขารมโนสังขารก็นึกคิดร่วนจะเป็นของไม่เที่ยงสเพสั่งฆาราขยะวยะธรรมมาสังฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิน้นไปเป็นธรรมดาอปมาเนณะสัมปเดธาติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดก็เอากายกับใจนี่แหละทำประโยชน์ <c oughs> ประโยชน์ตนการทําความดีทั้งหลายทั้งปวงฝึ ก, กจิตใจให้มีนิสัยรักชอบในการทําความดีทําความดีด้วยกายทําความดีด้วยวาจาแม้แต่นึกคิดทางจิตใจนึกคิดในสิ่งที่ดีๆก็เรียกว่าทําความดีทางใจ แล้วก็เป็นบุญเป็นความสุขความสุขความอิ่มใจปิติเอิ้ออิ่มเกิดขึ้นเพราะการกระทำดีทางกายพูดดีทางวาจานึกคิดดีทางจิตใจสุดท้ายรวมเข้าสู่ใจมีใจเป็นฐานรองรับมีใจเป็นผู้รู้รับรู้รีกว่ารวมเอาเชื่อ ของบุญและบาปเข้าสู่ใจเมื่อมีเชื่อของบาปมากผลออกมากเป็นเรื่องของบาปเป็นเรื่องของความทุกข์ความยากความไม่สมประสงค์ความขาดแคลนทั้งหลายทั้งปวงเป็นผลของบาปความอุดมสมบูรณ์เป็นผลของความดีเป็นผลของบุญนี่บุญและบาป ละบาปไปเรื่อยๆทำบุญให้มากๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายบาปไม่มีก็มีแต่บุญ <c oughs> บุญเต็มในใจใจบรรจุด้วยบุญด้วยความดี <c oughs> เมื่อบรรจุด้วยบุญด้วยความดีเต็มที่แล้วนิพิทาญาณความรู้ถึงความไม่เที่ยงบุญมันก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็สลัด บุญสลัดบาปยิงเหลือแต่ธรรมชาติใจที่เป็นธรรมชาติของเขาเหลือแต่ธรรมชาติใจใลูและลู่วางลู่ว่างได้แล้วนั่นแหละ ว, ว่าบุญเต็มบุญเต็มใจเป็นอยู่ที่กายว่าจจใจ ประพตชดีพฏิบัติชอบทางกายทางวาจาทางจิตใจก็ได้บุญได้ความดีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยภาวนาเพ่งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดและดับไปไม่คงเส้นคงวาไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อปัญญาเห็นแจ้งใน ลักษณะทั้งสามตามเป็นจริงแล้วมันก็วางมันก็วางคำว่าความยึดความถืออุปทานความหนักน่วงจากการยึดการถือนั่นถือนี่มันก็สิ้นสุดลงไปด้วยปัญญาปัญญาญาณทัสนณะที่ได้ภาวนาเพ่งอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยเรื่อย มันก็จะเห็นเข้ามารู้เข้ามาที่ใจ อ, อะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่ใช่ตัวตนก็คือสมมุติทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละ ม, มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนผู้ที่ไปรู้สมมตุตินั่นเป็นของเที่ยงเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยแล้ว่าได้บุญจากการภาวนาใจสบายปล่อยวางว่างได้